บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตและเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท, ท่านตั้งใจนอบน้อมละมัสการประภูมิประภาค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 ในธรรมธรรมะเป็นสวากาโตภกวตาธรรมโมธรรมะอันประภูมีประภาคเจ้าตร ด, ดีแล้วสันดิทิโกอันภูปฏิบัติได้บรรลุพึงเห็นเอง อากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาเอหิปัสสิโกควรเรียกให้มันดูโอปัญิโกควรน้อมเข้ามาปัจจัตังเวดิตะโบวินยูหิอันวินยูคือภูรู เพิ่งรู้เฉพาะตนธรรมะที่พระภูมีพระภาคเจ้าทรงแสดงสั่งสอนย่อมประกอบด้วยประธรรมคุณทั้งหกบทนี้แต่การแสดงอธิบายได้จำแนกไปแต่ละข้อ เพื่อเห็นชัดตามพยัญชนะคือถ้อยคําและอัฐะคือเนื้อความของข้อนั้นๆและก็ได้แสดงมาจนถึงข้อสุดท้ายและตั้งข้อสุดท้ายเป็นหลักอธิบายมาหลายครั้ง จนถึงมาจับอธิบายธรรมะในมหาสติปัฏฐานสูตรและเมื่อมาถึงข้อโพดชงเจ็ดก็ได้แสดงอธิบายว่าข้อโพดเจงโพดชงเจ็ดนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ ทั้งในธรรมะที่เป็นลำดับหมวดกันไปและได้ตรัสไว้โดยเอกเทศอีกด้วยซึ่งทรงแสดงเป็นหลักในการปฏิบัติธรรม ทางสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานทุกข้อทุกบทดังที่ได้ยกเอากรมวิหารสี่มาเป็นดิทัศนะคือเป็นเครื่องแสดงให้เห็นตามหลักดังกล่าวซึ่ง ทรงแสดงเป็นหลักในการปฏิบัติธรรมทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานทุกข้อทุกบทดังที่ได้ยกเอากรมบุวิหารสี่มาเป็นดิทัศนะคือเป็นเครื่องแสดงให้เห็นตามหลัก ดังกล่าวเพราะฉะนั้นหมวดโพธชงนี้จึงเป็นหมวดสำคัญจะได้แสดงต่อไปตามแนวปฏิบัติสติสัมโพธิชงธรรมะที่เป็นองค์ข้าคุณของความรู้พร้อม คือสติความระลึกได้หรือความกำหนดรู้และธรรมวิจยะสัมโพชงสัมโพชงคือธรรมวิจยะความเลือกเฟ้นธรรมวิจัยธรรมและวิริยะสัมโพชงสัมโพชงคือวิริยะความเพีย และส่วนที่เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นโทษเพียนธรรมํำเพ็ญส่วนที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณทั้งสามข้อนี้เป็นหลักในการปฏิบัติทั่วไปและก็พึงเข้าใจด้วยว่า ในการปฏิบัติทมสติก็ดีทำมิธรรมวิจยะก็ดีทำความเพียรก็ดีต้องให้เป็นสัมโพธชงหรือโพธชงคือให้ประกอบด้วยความรู้ด้วยดังที่ได้มีแสดงองค์ประกอบในการปฏิบัติทุกอย่าง ว่าให้มีโยนิโสมนสิการคือการทำไว้ในใจโดยแยบคายได้ แ, แก่การใช้ความใคร่ครวญในข้อที่ปฏิบัติของตนจับเหตุจับผลให้ถูกต้องตั้งแต่เบื้องต้นไปโดยตลอดกับอีกข้อหนึ่ง ให้มีกัลยาณมิตรคือมิตรที่งามก็คือผู้ปฏิบัตินั่นจะต้องมีครูอาจารย์หรือผู้ปฏิบัติร่วมกันที่สามารถให้คำแนะนำได้ครูอาจารย์นั่น ก็มีพระพุทธเจ้าเป็นยอดเป็นสูงสุดและครูอาจารย์ที่รับฟังคำสงสอนของพระเจ้ามาปฏิบัติจนถึงสามารถที่จะให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นได้โดยถูกต้องพะัะนั้น ในศรัทธาคือความเชื่อจึงได้แสดงตถาคตโพธิศรัทธาความเชื่อความทัสรุของพระตถาคตพุทธเจ้าไว้เป็นหลักในหมดธรรมทั้งปวงโดยทรงเป็นกัญยาณมิตรที่หนึ่งครูอาจารย์ต่อต่อมาก็เป็นกัญยาณมิตรต่อต่อมา แต่ต้องถือพระพุทธเจ้าเป็นที่หนึ่งทุกทุกครูบาอาจารย์ก็ต้องรวมอยู่ในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าสั่งสอนออกไปนอกคำสั่งสอนของรพุทธเจ้าก็รับปฏิบัติไม่ได้ หรือรับนับถือไม่ได้ต้องมีพระพุทธเจา้าและคําสั่งสอนของพระองค์เป็นที่รวมเป็นที่ตัดสินของการสอนและการปฏิบัติทุกอย่างพระพุทธเจา้าจึงเป็นยอดกันญาณมิตรซึ่งผูปฏิบัติธรรม ได้ฟังคำสั่งสอนของพระองค์และนำมาปฏิบัติโดยตนเองก็มีโยนิโสมนสิการการใส่ใจไว้โดยแยบคายคือจับเหตุจับผลให้ถูกต้องให้ตลอดดังนี้สติรรมวิจัยและวิริยะก็เป็นสัมโพชง ขึ้นมาโดยอำนาจของโยนิโสมันสิกาศอาศัยกัญญาณมิตรซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นที่หนึ่งเป็นยอดและในการปฏิบัติสติปัฏทานทั้งสี่ก็ได้แสดงมาแล้วก็ต้องอาศัยสัมโพธิช์ทั้งสามข้อนี้ ในการปฏิบัติตั้งแต่วดกายานุปัสสนาทุกปร ะ, ระคือทุกข้อเวทานานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาและในข้อธรรมานุปัสสนาที่จับแสดงรีวอนต่อมาก็แสดงขันแสดงอายตนะ และจึงมาถึงหมดโพจนชงอันเป็นหลุดตัวหลักที่จะต่อเชื่อมระหว่างธรรมปฏิบัติในเบื้องต้นกับมักมีองค์แปดหรืออริยสัจสี่เป็นการเข้าถึงสัจธรรม มันเป็นหลักสำคัญในพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ดังที่ได้ตัดแสดงไว้ในปฐมเทศนาและเมื่อพิจารณาจับความสำคัญของสถิประฐามนมาโดยลำดับแล้ว มามาถึงขั้นโพดชงดังนี้ก็ยอมจะจับความสำคัญได้ว่าจิตอันเป็นสติปัฏฐานข้อที่สามและธรรมอันเป็นสติปัฏฐานข้อที่สี่เป็นหลักในการปฏิบัติซึ่ง จิตและธรรมนี้ก็ต้องประกอบมาตั้งแต่ในข้อกายและเวทนาแต่ว่าเป็นข้อที่ละเอียดจึงได้ตรัสสอนให้จับพิจารณากายพิจารณาเวทนามาเป็นเบื้องตน้น เพราะกายกับเวทนานั้นเป็นของหยาบกายเองก็เป็นวัตถุประกอบขึ้นด้วยธาตุที่เป็นวัตถุทั้งหลายมาถึงเวทนาแม้ว่าเวทนาจะจัดเข้าในนามธรรมแต่ว่าก็เป็นนามธรรมที่หยาบ เพาะว่าเวทนาที่เป็นไปทางกายนั้นย่อมประกอบอยู่กับกายหรือประกอบอยู่กับรู ป, ปรกายเวทนาทางจิตจึงเป็นสิ่งที่ละเอียดขึ้นเพราะฉะนั้นกายเองก็มีเวทนาประจำอยู่ตลอดเวลาที่มีชีวิตแต่ว่าเป็นนามธรรมา การจับพิจารณารู ป, ปรกายซึ่งเป็นวัตถขุขึ้นก่อนจึงกำหนดได้ง่ายและเมื่อจิตรวมก็กำหนดเวทนาที่ปรากฏขึ้นเวทนาทางกายก็ปรากฏชัดเวทนาทางจิตก็จะปรากฏชัดขึ้นและเมื่อเป็นดังนี้ภาวะจิต ก็จะปรากฏขึ้นเพราะว่าจิตนี่ก็จะต้องประกอบอยู่กับกายและเวทนาตลอดเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่คือยังไม่ดับจิตกายเวทนาก็ประกอบอยู่กับจิตจิตก็ประกอบอยู่กับกายและเวทนาและเมื่อจิตปรากฏขึ้น ธรรมะในจิตก็จะปรากฏขึ้นเพราะว่าธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในจิตจิตประกอบด้วยธรรมะส่วนดีก็เป็นกุศ ล, ลธรรมส่วนชั่วก็เป็นอกุศ ล, ลธรรมส่วนที่เป็นกลางๆ ก, ก็เป็นอัพยากตรรม ธรรมะที่เป็นกลางๆไม่กล่าวว่าดีไม่กล่าวว่าชั่วเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสข้อที่วายดีวอนอันเป็นอกฏสุรธรรมที่ปรากฏจุนในจิตโดยที่จิต ของสามบรรชนทั่วไปย่อมเป็นกามาวจรจิตจิตที่เที่ยวไปในกามหรื อ, อยังลงในกามคือประกอบด้วยกิเลสกามประกอบด้วยวัตถุกามกิเลสกามก็คือกิเลสที่เป็นเหตุให้ใครเป็นต้นว่าราคะ ความติดใจยินดีนันทีความเพลิดเพลินวัตถุกรรมก็คือพัสดุหรือสิ่งอันเป็นที่ใครที่ปรารถนาที่พอใจคือเป็นที่เกิดขึ้นของกิเลสกรรมก็ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรส คระสิ่งถูกต้องที่น่าใครน่าปรารถนาน่าพอใจทั้งหลายจิตสามั ญ, ญชนจึงท่องเที่ยวไปในกามดังกล่าวอยู่โดยปกติเป็นกามาวจรจิตเมื่อเป็นดังนี้จึงได้ตรัสสอนให้ กำหนดดูการมฉชันความพอใจรักใคร่ซึ่งมีอยู่จิตที่เป็นก า, มารมาผจรนี้และให้ตังสติกำหนดดูพยาบาทเพราะเมื่อมีการมฉชันการมฉชันต้องการอารม์ที่รักใคร่ปราถนาพอใจ รั้นไปพบอารมณ์ที่ไม่รักใครปรารถนาพอใจก็เกิดความกระทบกระทั่งโกรธแค้นขัดเคืองจนถึงเป็นความมุ่งร้ายก็รวมอยู่ในข้อพยาบาิและให้ตั้งสติกำหนดดูความง่วงวุนเคลิบเคลิ้มความฟุ้งซ่านํำคาญใจ ในความเครื่องแพลงสงสัยต่างๆการสืบเรื่องกันมาจากสองข้อของตนนั้นด้วยเหล่านี้เป็นดีโบ์ซึ่งเป็นเครื่องกั้นจิตไว้ไม่ให้เป็นสมาธิและธรรมปัญญาคือความรู้ให้สางกำลังด้วยตรงการที่จะให้ปฏิบัติทรรมสติกำหนด ให้รู้จักนิวรณ์ที่บังเกิดขึ้นพร้อมทั้งเหตุและทำความหลับนิวรณ์ให้บังเกิดทำความหลับนิวรณเสียเมื่อดับนิวรณเสียได้จึงจะได้สมาธิแต่ได้ปัญญาผู้ที่ปฏิบัติธรรม คือทำสมาธิไม่ได้สมาธิก็เพราะว่าละนิวรณ์ไม่ได้และไม่ได้ปัญญาก็เพราะละนิวรณ์ไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงต้องเข้าใจว่าการละนิวรณ์นี่เองเป็นผลที่บุ่งหมายของการทำสมาธิ ทำสมาธิก็เพื่อละนิวรณ์พระพุทธเจ้าตรดกรรมฐานไว้เป็นอันมากในหมวดสมถกรรมฐานทั้งหลายก็เพื่อละนิวรณและกรรมฐานที่ตัดสอนไว้นั้นก็เหมือนอย่างยาที่รักษาโรคเพราะนิวรณมีหลายข้อ จึงตัดกรรมฐานไว้หลายข้อเพื่อที่จะแก้ดีวอนข้อนั้นนั้นเหมือนอย่างว่าเป็นโรคกัรมเป็นโรคกรมฉันก็ต้องใช้ ย, ยาคือกรรมฐานสำหรับแก้กรรมฉันเป็นโรคพยาบาทก็ต้องใช้ ย, ยาคือกรรมฐานสำหรับที่จะแก้พยาบาท ดังนี้เป็นตนอันนี้แหละจึงต้องใช้โยริโสมนสิกัดจึงจะจับกรรมฐ า, านมาปฏิบัติเพื่อละนิวรณของตนใส่สำเร็จได้ถ้าหากว่าจับกรรมฐ า, านมาปฏิบัติไม่ถูกก็ยากที่จะละนิวรณได้ก็ได้สมาธิยากและ ในการตรัสสอนให้ตั้งสติกำหนดดีวอนทุกข้อนั้นก็ตรัสสอนให้รู้ถึงเหตุให้เกิดดีวอนให้รู้ถึงวิธีที่จะดับดีวอนให้รู้ถึงวิธีที่ดีวอนที่ดับแล้วละแล้วจะไม่บังเกิดขึ้นอีกด้วยในข้อนี้ เองซึ่งแสดงว่าการปฏิบัติก็ต้องใช้โพชงทั้งสามข้อนี้คือสติธรรมมิจยะและวิริยะประกอบกันไปถ้าไม่เห็นนั้นแล้วก็แยกแยกไม่ถูกว่าอะไรเป็นเหตุของนิวรณ์และอะไรเป็นวิธีเด็กที่จะดับนิวรณ์ จะอะไรไปวีทีที่จะทำนิวรณที่ดับละแล้วไม่บังเกิดขึ้นอีกได้ซึ่งเหตุผลเหล่านี้ก็ประกอบกันอยู่ในสติปัฏฐานทั้งหมดนี่แหละไม่ต้องไปไม่ต้องไปหาเหตุผลที่ไหนแม้ว่าพระพุท ธ, ธเจ้าจะ ไม่ได้ทรงเฉลยเอาไว้ในข้อรีวอดโดยตรงแต่ว่าลำดับธรรมะที่ทรงแสดงต่อมาก็เป็นเครื่องเฉลยให้จับเหตุจับผลกันได้ในตัวดังที่จะได้แสดงต่อไปว่า เมื่อจะตัดในข้อในวรแล้วก็มาตัดให้กําหนดขันห้าและอาจตนะเป็นอันว่าให้มาทำความรู้จักขันรู้จักอาจตนะอันเป็นหลักสำคัญ ในการที่จะที่จะปฏิบัติเชื่อมต่อระหว่างสมาธิกับปัญญาหรือระหว่างสมถะและวิปัสสนาขันธะและอาจตนะนี้เป็นวิปัสสนาภูมิคือเป็นภูมิของวิปัสสนาจะต้องกำหนด ให้รู้จักขันห้าให้รู้จักอาจตนะจึงจะเห็นไตรลักษณ์คือลักษณะเครื่องกัลหนดหมยที่ไม่เที่ยงที่เป็นทุกข์และพ่เป็นอนัตตาอันมีอยู่ที่ขันห้าและที่อาจตนะและแม้ในสองข้อนี้ ก็จะตัดให้ทำสติกำหนดอีกเหมือนกันให้รู้จักว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้เกิดอย่างนี้ดับอย่างนี้และมาในข้ออาจิตนะก็จะสอนให้รู้จักตารู้จักรูปและได้รู้จักสัญญา์คือความโผกใจ ที่อาศัยตากับรูปบังเกิดขึ้นให้รู้จักหูรู้จักเสียงให้รู้จักจมูกรู้จักกลิ่นให้รู้จักลินให้รู้จักรสให้รู้จักกายให้รู้จักผละภาคือสิ่งที่กายถูกต้องให้รู้จักมโนคือใจให้รู้จักธรรมะคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในใจ และให้รู้จักสัญญาต์คือความผูกใจความประกอบใจไว้ซึ่งอาศัยหูกับเสียงจมูกกับกลิน่นลิ้นกับรสกายและพลทพสิ่งกายที่กายถูกต้องมโนคือใจและธรรมะคือเรื่องราวบังเกิดขึ้นแต่ละข้อทั้งให้รู้จัก วัาสัญญ์มันเกิดขึ้นอย่างนี้ดับไปได้อย่างนี้และจะพึงไม่เกิดขึ้นอีกได้อย่างนี้ดังนี้เพราะฉะนั้นจึงมาถึงข้อสำคัญที่จะพึงเข้าใจในทางปฏิบัติ เกี่ยวกับสัญญาต่อไปซึ่งจะผูก พ, พันอยู่กับกรรมฐานทุกข้อและกับขันอาจตนะซึ่งเป็นฝ่ายอัพยากัตธรรมธรรมะที่เป็นกลางกลางกับทั้งกิเลสทุกๆข้อที่มันเกิดขึ้นต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป